พอกับคละพระอาจาตย์ใจคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอเจริญข อ, อนมัสการหลวงพ่อผู้เป็นครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงพ่อเทียนหลวงปูงงง่เทียนหลวงพ่อขมเทียนว่าครูหลวงพ่อทุกท่านหลงพี่ ครูครูคุณอาจารย์ทุกท่านนะขอเจริญพรญา่ิเม่ยชีญาติโยมทุกทุกท่านจำเป็นนะวันนี้ไม่มีคนเทศแสดงทำให้ฟังแล้วก็หลวงพ่ อ, พองดมาหลายแล้วไม่ไม่รับเลยเพราะว่าแก่มาแล้วก็ไม่อยากพูด คนให้พวกคนหนุ่มคนแน่นเขาพูดดีกว่าคิดว่างกันในวันนี้ก็จำเป็นก็จะได้พูดให้ฟังจากนี้จจงหน่อยพอเป็นตั้งเขีผิดพลาดประการใดขอขอดขออนุญาตด้วยนะพวกเรามาที่นี่ก็ตั้งอกตั้งใจมามาศึกษาเรื่องชีวิตของเรา เพราะเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้พากันหลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้จักว่าดูพุทธศาสนาเนี่ก็ว่ารูถือพุทธศาสนาแต่ว่าไม่รู้ว่าสนานี่เป็นอย่างไรน้องพ่อไม่เคยรู้จักเลยเพราะก็ไปรูตั้งแต่ พุทธศาสนาอยู่ในทิเบีนบ้านของเรานั่นแหละถ้าไปลวงไปศาลนี่ก็เจ้านายเจ้าที่ก็าถามมาอยู่ถือศาสนาอะไรก็ถือศาสนาว่าถือศาสนาพุทธพุทธนี่สอนเรื่องอะไรก็ไม่รู้จักหรอกเป็นศาสนาพุทธตั้งแต่ทเบตบ้านกับสมนุสนโควาตวนนอนนั้นแหละนอกนั้นเราไม่มีเลยพอมาเข้าใจตั้งแต่ก่อน โอ๊ยไม่เคยได้ยินเลยมีเรื่องเคียงชีวิตจีดใจของเราตัอสติตบรญยาของเราแท้แท้ททบรรธรมาเข้าใจแล้ว อ, อันอื่นนันก็ออกไปนอกหมดถ้ามาปฏิบัติธรรมานี่ก็ไปเห็นสีเห็นแสงเห็นอะไรร้ายๆอย่างเห็นแก้วเห็นแสงอะไรมันขึ้นมาให้เราเห็นก็ไปดีอกดีใจว่า เห็นธรรมะแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เคยเคยพูดกันแต่ที่จริงล้ววยมันไม่ใช่เลยนี่ถ้าออกจากนอกตัวไปแล้วมันไม่มันไม่เป็นขั้นอนในพุทธตาตนาเราเป็นของทางภายนอกแต่เป็นของพุทธของพุทธตาตนาแท้ก็คือเรื่องชีวิตจิตใจของเราเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนถ้าเราออกจากทุก ออกจากทุกข์นี่ก็ไม่รู้จากทุกข์เนี่ยทุกข์ว่าตั้งแต่ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไม่มีของอทุกข์ตั้งแต่ น, นั่นแหละไปคิดเห็นอันสิ่งที่ภายนอกนั่นแหละว่ามันไม่มีแล้วก็ทําให้เราทุกข์อันนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเลยสอนเรงทุกข์ทุกทางไปอดอยากมาแค้นเนี่ยท่านไม่ค่อยได้สอนหรอกเพราะว่าคนเรานี่มันถ้ามันทุกข์นี่ก็เราทำเอาเอง ไม่มีใครจะมาทำให้เราทุกดหรอกเราทำเองพอมาเข้าใจชีวิตตัวเองเนี่ยก็จะรู้จักว่าโอ้คนเรานี่จะทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้โดยมากเนะ่ยมันไม่รู้รจักไม่รู้จักของดีของดีอยู่ในตัวเราเนี่ยไปหาแตกต่งทางภายนอกหากันดิ้นรนหาต่างคนต่างบกบืนไป อยากได้อยากเห็นอยากมีก็หาไปก็มันยิ่งไกลเรี่กยไปไม่ไม่ได้เข้าใจอย่างตัวเอง <c oughs> ปฏิบัติทำก็ปฏิบัติมาวัดทำน้อก็เคยปฏิบัติพุทโธก็ปฏิบัติมาสัมมาหลังก็หลายหลายอย่างอยู่มันก็ไม่ได้เข้าใจ ไปตั้งแต่ก่อนก็ไปหลับหูหลับตานั่งสมาธิก็ไปบังคับไม่จิตใจของตัวเองไม่ให้มันไปเที่ยวทางโน้นไปเที่ยวทางนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมานี่ก็ไปเสียอกเทียใจไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันคิดไม่อยากให้มันออกมาความคิดนั่นแนหะไม่อยากอยากได้แต่ความสงบ มันคิดอยู่อย่างนั้นแต่วมันก็ไม่ใช่ทางแล้วอย่างนั้นนะเพราะว่าสิ่งธรรมดาธรรมชาติของเรามันมีอยู่อย่างนั้นเราก็ไปบังคับมันไม่ได้มันมาเข้าใจแล้วก็มันเกิดให้เราเห็นอยู่ทุกทุกคนนั่นแหละความทุกข์มันเกิดขึ้นให้เราเห็นเล้๋ยวก็ความคิดอันอื่นมันก็ร้ายมากหลายที่ถดแต่มันเกิดขึ้นมาทั้งดีทั้งขั้วทั้งเพิดเพลินทั้งกทั้งเศรศ้าเสี ใจอะไรแต่ตละพัดตั้งแต่มาเกิดเราเห็นแล้วก็เข้าไปเป็นกับเขาเนี่ยไปอยู่กับเขาเพราะว่าเราไม่ได้ศึกเรื่องที่วิตจิตใจของเรามาตั้งแต่คอเราก็ไม่รู้จักลแล้วก็เพิดเพลิ น, นไปแต่ทางภายนอกมันมาเห็นห้องปู่ท่านมาที่บอกมาเนี่ยให้มาดูกายของเราเนี่ยดูกายให้ดูกายให้ดูใจของเราเนี่ย ภาษาชาว บ, บ้านเราก็เรียกว่ากายกับใจถ้าธรรมภาษาของธรรมะนะเขาเขาเรียกว่ารูปกรรนามเนี่ยเพราะว่ามันมีของของของของสิ่งของสองสิ่งที่มาอยู่ในตัวเราเนี่ยมีกายกับใจเท่า น, นั้นแหละที่ทําให้เราทุกข์เนี่ยวันนี้เราก็ไม่เข้าใจแล้วก็มาน้องปู่ท่านก็มาให้เราทํา ทำเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันก็ไม่มีตัวไม่มีตอนอะไรหราเราไปนึกไปเดาเอาเองเห็นอะไรเกิดมาเนี้ยก็ไปเป็นยึดมัน่นถือมั่นในสิง่งนั้นไปหมดก็เลยทุกอันดีก็ไปเป็นผู้ดีกับมันอันเป็นมันชั่วเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นผู้ชั่วกับมันทั้งดีทั้งชั่วทั้งดีใจทั้งเทียใจวันหนึ่งเราเป็นบ้าปไปทั้งหลายาหลายครั้งหลายผลเราก็ไปรู้จักเราก็เป็นไปอยู่ตามเขาอย่างนั้นแหละ เนี่ยก็หลงหลงไปไหนก็หลงคบคิดตัวเองนั่นแหละคิดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างคิดจากได้อย่างนั้นคิดจากได้อย่างนี้คิดจากเป็นอย่างนั้นที่อยากเป็นอย่างนี้บางทีดีใจบางเด็ดเตะใจเอ่อมันก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละเออสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับความคิดตัวเองบางทีก็ง่วงเงาเขอานอนเศร้าโศกเสีสสยใจ แม่ก็ทั้งเหนื่อยทั้งปวดแท้างปวดขาสารพัดที่มันเกิดขึ้นมาบางทีก็ง่วงเอาวเฮานอนว่าแต่ตัวเองเป็นทุกข์เราก็ไม่เห็นก็ไปเป็นผู้เป็นนั่นแหละมาน่ะไม่อยากให้มันเกิดเกิสักอย่างเดียวมันมาขอเรามาปิดปิดพิสปฏิบัติกับหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ให้ไม่ให้ไปปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็น มันเกยขึ้นมาให้เราเห็นนะมันดีทุกอย่างเลยมีบุญมีคุณมากถ้าเราเราเข้าใจอะ่ะเหมือนคนที่เคยอิจฉา <c oughs> เคยพยาบาทเรานี่แหละเขาเคยด่าเคยว่าเราเนี่ยเขาติสินินทาเราเนี้ยเราไม่มาดูตัวเองเลยถ้าคนที่ถูกถ้าเราเข้าใจนั่นน่ะเขามีบุญมีคุณกับเรามากพวกที่เขาพูดให้เราฟังติสินินทาเราเนะ่เพราะว่าถ้าเขาไม่ไม่ว่าไม่พูดไม่ อให้เราเข้าใจให้เราเห็นเนี่ยเราก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแั่เรามาเข้าใจคําสอนของนพถิญญ์เนนี่ยเห็นพอคนมาดูถูกนินทาเนี่ยไปเห็นตัวโกรธเกิดขึ้นมาก็ดูจักเออวูอันนี้มันทุกข์ทุกข์เพราะอะไรอ่ะทุกข์เพราะเราเข้าไปเป็นเอเขาว่าไม่ดีเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ไม่มาแก้ตัวเองถ้าถ้าเขายกย่องว่าตัว ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปดีใจ ด, ดีอกดีใจถ้าดีใจแล้วเขาไปไหนก็อยากไปตามเขาอยากเห็นเขาคิดถึงเขาอมันมันจะเป็นอย่างนั้นแหละมีอะไรก็เขาขออะไรก็ให้เขาถ้าไม่ได้ให้เขาเนี่ก็เสีย อ, อกเสียใจมันก็เป็นอยู่นนะมันเป็นเป็นไปตามอาการของเขาไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเราไปยึดมันดม่นถนะือมั่นในถึงนั้นถึงนี่บัดเรามาเข้าใจแล้ว มันไม่มีสิ่งที่จะเอาอย่างแล้วที่มาเพืปฏิบัติเนี่ยให้เราเห็นเฉยเฉยความสุขมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของกินมันของมาประเดี๋ยวประดาเมื่อก็อนหนีไปมันไม่ใช่ว่าอยู่กับเราตลอดไปความที่ไม่ดีความที่เสียอกเสียใจแค้นอกแ okay, ค้น okay, ใจแค่ครับอกแค้นใจเดือน้อยอกน้อยใจอย่างนี้มันก็ประเดี๋ยวประดาวม่หนีไปมันก็ เราแล้วไปบังคับไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่อยากให้มันเข้ามาหามันทุกเสียอกเสียใจมากถ้าเห็นมันเข้ามาไม่อยากเห็นมันเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่น่ดีหมดถ้าเราเข้าใจแล้วมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นแต่ว่าเมื่อเกิดมานี้เราเราต้องหาพยายามพยายามแก้มันคือว่าเรามันอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ะเราอยากเข้าไปเป็นกับมัน เห็นเห็นแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็แล้วไปดีแล้วก็แล้วไปอันชั่วยังชั่วอย่างไม่ที่จริงที่ไม่ดีเห็นแล้วก็ลแล้วลไปเนี่ยถ้าเราไม่เป็นไปเป็นกับเขาเนี่ยเพียงให้เป็นทางเป็นทางผ่านให้หมดอย่างเนี้ยมันจะดีมากมาเข้าใจแล้วก็โอ้มันก็ฟุมฟ้มอกภุ้มใจไปในตัวเองโอ้ดีแล้วเราเข้าใจธรรมะวันนี้เนี่ยเพราะมาจากว่ามึกอะไรเกิดขึ้นมาเนี้ยเราก็ เออค่อยละค่อยปวดค่อยปล่อยค่อยวางไปนี่วิปัตนามสอนเรื่องนี้ไม่ได้สอนสอย่าง ร, รมถะ ร, รมถาก็ไปอยู่ในความสงบสงบแล้วก็ไปเข้าไปอยู่ในความคิดตัวเองว่ามันเป็นมันสนุกมากไปคิดไปเรื่องดีๆก็อยากให้มันคิดไม่อยากให้มันไปไหนถ้าเข้าไปอยู่ในระวัง ไปหยุดความสงบแล้วก็รู้อย่าว่าดีอกดีใจว่าตัวเองเข้าใจธรรมะเออพอนั่งลงไปเนี่ยมันก็เข้าไปในความสงบเข้าในผวังมันก็ไม่คิดแต่มันเพ้อเพลินไปแก้งหูแจ้งตาแจ้งอกแจ้งใจเบาอกเบากายเบาใจเบากายมันก็มีความภาคภูมิว่าตัวเองเข้าใจธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่งวงเงาเข้านอนเลยนั่งอยู่ตลอดคืนไม่ให้นอนก็ได้ ยามกลางวันก็ไม่ให้กินข้าวก็ได้ถ้าวันไหนแล้วเขา อ, อยู่ในการนั่ง ส, สมาธิได้รับความสงบได้วมันดีใจมากมันดีมากเลยมีความสุขมากเลยแต่ว่านั่งบางทีมันก็ลอยไปก็มีบางทีมันก็เดินไปก็มีบางทีนั่งอยู่ก็มี มันปรากฏขึ้นทั่วเป็นไปทั่วนะแหละติ้งลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปถ้าเดินตามมาดูตัวเองก็มากันนั่งอยู่ที่เดิมนี่แหละมันนึกว่านั่นแหละแล้วก็ไปเห็นทั่วนั่นแหละไปเห็นตะวันเห็นนายกโลกอ่าไปเห็นคนที่พวกฝีน่องเขาตายไปแล้วก็นอ้อยอกน้อยใจคิดถึงร่องให้ก็มีบางคนบางคนเนี่ยมันเป็นอยู่ไม่ไปอยู่ในความคิดทั้งหมดเลย เนี่ยพมามมาเนี่ยวิปัตตนากรรมฐานเนี่ยไม่ต้องไปยึดมั่นถือมันอะไรทั้งหมดเลยหมดเลยมีแต่ละปลดปล่อยวางไปไม่ต้องเป็นผู้เป็นให้เราเป็นผู้ดูเฉยเฉยไม่ให้ดีใจไม่ให้เตี้ยใจอันไรเกิดขึ้นมาเนี่ยคโอ้มันเป็นอยู่อย่างนี้เองอมีพระพุทธเจ้ามาปติรูปมันก็มันก็มีอยู่อย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตปฏิรูปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตจิตใจของเรามันอยู่นี้มันเป็นเอง แต่ว่าเราไม่รู้จักเราก็เป็นผู้เป็นกับเขาไปเรื่อยๆไปวันนี้เราเข้าใจแล้วเราก็เป็นผู้ดูก็จิตใจของเราก็ได้รับความถุกข์โหยอยากเยนโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ดีเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เขามาเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้มีตั้งแต่ทิ้งจะปล่อยไปนั่นแหละมาคิดดูแล้วก็โอ้มันไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยแล้วมาเห็น ตัวนี่แหละมาดูกายดูใจของเราเนี่ยท้งพ่อตั้นให้ว่าให้มาเข้ามาดูกายดูกายแล้วให้เห็นกายตามความเป็นจริงมาเห็นใจตามความเป็นจริงเนี่ยพอเห็นตัวแล้วก็ให้เรามาดูการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวด้วยวิธีใดก็ให้ใจรับรู้ไปด้วยคนหนึ่งเคลื่อนไหวคนหนึ่งเป็นคนรู้อะไรเป็นกายอะไรเป็นใจ เขาเรียกว่ารูปนามอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเนี่ยมันเดินไปอ่าบางทีมันก็คิดเรื่องนั้นบ้างคิดเร่ยงนี้บ้างมันออกนอกไปเราถ้าเราไม่เข้าใจนี่เราก็ยังสติยังน้อยอยู่มันก็ไปติดอยู่ในความคิดติดอยู่ในความคิดก็ไปน่ะจบเรื่องนี้แล้วก็ไปจบเอาเรื่องนั่นอีกจบเรื่องนั้นก็ไปเอาเรื่องนี้อีกเมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ แล้วก็นานๆจค่อยไปเห็นเข้าไปเห็นผมคิดตัวเองเพราะว่าติดของเรายัางน้อยอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็รีบมาทําความเพียรพอมันดึงไปแล้วก็ดึงมามันดึงไปแล้วก็ดึงมาวิธีดึงนี้ก็ไม่ยากเนี่ยตั้งแต่ก่อนไม่ก็ยากน ะ, ะครับกลุมอยากให้หมันออกหนีไม่อยากให้มันมันอยากให้ มันอยากให้หมันไปอยากให้มันเอาเข้ามาอยู่กับเราเร็วตัวรู้สึก น, นั่นนะมีแต่ความคิดไปอยู you, c, ่ในความคิดตะพื้ตะพือไปเนี่ยถ้ามันอยู่นําตัวเราเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจว่าโอ้ความรู้สึกของเรานี่ถ้าถ้ามันออกไปเนี่ยมันมันก็เป็นผมคิดถ้ามันอยู่กับเราเนี่ยเป็นตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี้คืตัวตัวจิตใจของเรายังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้รู้จักวิธีมัน ตั้งแต่ก่อนเราเป็นผู้เป็นกับมันเ้าก็เป็นทุกข์กับมันมันชีดไปเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างสารพัดมันจะคิดไปร้อยแปดพันประการสุ ด, ดยอดมันจะพาคิดไปเราก็เป็นผู้เป็นกับเขาไปเพื่อเพือบางทีก็ดีบางทีก็ร้ายไม่ดีใจบ้างเจ๊ใจบ้างปะปนกันไปเนี่ยก็าจจะไปเห็นความคิดกันตั้งนา น, นตั้งครึ่งวันก็มีเพลิดเพลินไปกับมันวันนี้ก็เราก็พยายามมาทําความเพียรเนี่ยให้มัน เข้าใจเออพอเห็นเขา้าตีเขา้าตีเขา้าลอยเลี้ยงความเพลยนเ้าอยเลี้ยงความเพียนเขา้เ า, เเขาเนี่ยแต่ยกมือตัวเนี้ยตัวสำคัญมากยกขึ้นเนี่ยให้ยกเฉยเฉยไม่ให้เอาอะไรยกลู้เฉยเฉยไม่ได้ว่าอยู่กับความคิดนะยกขึ้นก็คิดเอาขึ้นก็คิดเอาลงก็คิดอันนั้นมันไม่ใช่เออยกขึ้นลู้เฉยเฉยเดินก็เหมือนกันพอเท่าถึงพื้นเนี่ยก็ให้ลู้เลยลู่หขาท้าย จดพื้นดูขาขวาจดพื้นดูรูแล้วก็ยกก้าวใหม่ดูใหม่ก้าวใหม่ดูให ม, ใหม่เรื่อยอยู่นั่นตลอดวันน่ะดูความคิดออกไปแล้วก็มากำหนดเนี่ยบัด น, นี้เรามีที่พึ่งแล้วเออเพราะว่ากายกับใจของเราเนี่ยเราอยาบฟุกทิ้งไม่ได้เนีมาดูกายเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้พอมันก้าวไปเวลาเราเดินอย่างนี้พอหยาบพื้นปับ๊บ มันจะอยู่กับตัวรู้เนี่ยรู้รู้รู้พะอะไรคิดเข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจพอมันเขาคิดปั๊บเนี่ยเนี่ยให้เข้าใจให้ดูให้เป็นตัวรู้กับตัวเห็นน่่มันมันต่างกันอ่รู้เนี่อรู้ด้วยสติ ป, ปัญญาของเราเนี่อมันรู้แล้วมันมันรู้จากปวดจากป่วยจากวางไปอ่ารู้เบี้ยชางเราเนี่ยพอรู้ปั๊บ พอคิดปั๊บเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่เลยอยู่ในความคิดเลยมันจะไปติดอยู่ในความคิดเลยออกมาได้เนี่ยให้เราพยายามให้ทำความเพียรมากๆถ้าเราทำมากๆเนี่ยพอเห็นปั๊บเนี่ยกิเลสของเรามันก็เข้าไม่หาเราไม่ได้ถ้าสติปัญญาของเรามันไม่เขา้าไม่เข้า เเรายกมือเพื่ออะไรเพื่อไม่อยากจะให้จิตใจของเรานันออกจากจากกายของเราให้มันอยู่เนี่ยยกมือให้รู้ ร, รู้รู้อยู่เนี่ยถ้าเพลินนิดหนึ่งมันก็ออกไปแล้วเป็นความคิดไปแล้วเนี่ยพอเรายกขึ้นมาปับ๊บเข้ามาแล้วพอรู้สึกเนี่ยแล้วเข้ามาถ้าเรามีสติแล้วนะพอเห็นปั๊บเนี่ยมันจะขาดออกขาดออกขาดออกมันจะเป็นอยู่างนั้นจิตใจของเราจะเพลิดเพลินไปเบากายเบาใจ ไม่ไม่หนักไม่ง่วงเงาเหานอน อ, อะไรเข้ามาก็ให้เรารู้จั ก, กให้เข้มแข็ ง, ขงกิจใจนั่นนะอย่า ป, ปล่อยวางมันถ้ามันอยากหนีไปเที่ยวทั้งนันอย่างนี้ไปเที่ยว น, น, ย น, ยวนี้เราไม่ต้องไปอยู่กับนี่แหละให้ดูสถานที่บนที่เรากําลังเดินโยกมืออยู่เนี้ยเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี้ยให้เราให้เราอย่าอย่าไปทิ้ง เนี่ยกายกับใจมันอยู่ด้วยกันมีพึ่งดี่พึ่งแล้วเนีมาดูกายเคลื่อนไหวนี่มันก็เข้ามาแล้วเนี่ยทำอยู่นั้นแหละตลอดไปอะไรเข้ามาแล้วก็เป็นผู้รู้เนี่ยร้อยแปดบรรพการมันจะคอเห็นไปเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทำนามทำรูปทำนามทำก็กายเคลื่อนไหวมันรู้นั่นแหละกายเคลื่อนไหวเวลาด้วยเวทที่ใดก็ให้ใจรูป้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปพอคิดปั๊บมันเราก็รู้จัก รู้ทันทีรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเท่านี้นะเมื่เราจะไปสนใจกับมันกับความคิดให้อยู่กับกายกับใจของเราเนี่ยให้มันแนบแน่นอยู่นี่ให้เชืมแข็งจิตใจของเราไม่ต้องกลัวอะไระมีที่พึ่งแล้วตั้งแต่ก่อนเราเคยไปกับมันไปสร้างพบสร้างชาติเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปติดความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปออกยากมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะ ปา น, นี้เราฟอเรามาแล้วเราเห็นคิดปั๊บเนี่ยโอ้แต่ก่อนเราไปอยู่กับมันนอนแช่พิ t างเป็นวันเป็นคืนอยู่กับมันมันบอพาทุกข์ก็ทุกข์มันพาตรกกุก็ตุกก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละเราเรื่องนั้นมาคิดบ้าง เ, าเรื่องนี้มาคิดบ้างรบเรื่องนั้นก็เรื่องนี่ทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตปุ่นวายอยู่อย่างนั้นแหละพอเราลุกจากแล้วโ อ, อ้พอเห็นปั๊บเนี่ย พอเห็นก็คิดปั๊บมันก็รู้รู้แล้วมันก็ออกออกวางไว้เลยไม่ต้องเอามาอยู่ทําความรู้สึกเมื่อเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเราก็โอ้เราในบาดแทุกข์อีกแล้วบัดเนี่ยเห็นเท่าทันมันเวลาเกิดมาเวลาเราก็เห็นเห็นมันก็ขาดออกไปขาดไปแล้วมันก็ไม่มีรสมีชาติอะไรอะไม่มีเยื่อในี่พอเห็นแล้วมันขาดไปมันก็ขาดออกไปเฉยๆเราก็มีสบายใจ แต่มันจะไม่คิดต่ออีกอย่างเนี้ยแล้วก็เราก็ค่อยทําไปแตเดี๋ยวมันจะพาวิธีมาหลอกเราจนได้นั่นแหละเนี่ย ไ, ไม่ไม่ได้วิธีหนึ่งมันก็เอาวิธีหนึ่งมาลอกอะล่อหลอกเราบางทีก็เอาสิ่งสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เพลิดเพลินก็มีมันเอามาหลอกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนหลงไปกับมันเนี่ยที่แรกก็คิดไปเตี่ยงนั่นเลีย้ยงนี้เล่นๆไปหลักไปติดกับมันก็ไปหยุด เป็นครึ่งมันก็มีนั่นแหละเขาสร้างพบสร้างชาตไม่ได้ตายไปติเดี่ยวจะค่อยไปสร้างรอกมันสร้างน่งแต่เรายังไม่ได้าตายเนี่ยคือความคิดของเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นให้เราพยายามให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะขณะมันจะเป็นอะไรก็ตามเราจะไปเดินไปที่ไหนที่ไหนก็ให้เรากำหนดรู้เรื่อยไปเพราะ น้องพ่อท่านเนี่ยสอนให้เราดีมากเลยอคายด้วยกินไว้ด้วยวิธีใดเราก็เห็นเรียบไปนี่ยแล้วก็มีกําไรวันหนึ่งวันหนึ่งนะชีวิตของเราเนี่ยจะไม่ทุกข์เลยไม่ได้คิดเรื่องนั้นไม่ได้คิดเรื่องนี้เหมือนแต่ก่อนอมีแต่ดูจิดูชีวิตจิตใจของเราเล่นนไปเออถ้าดูเมื่อไรเมื่อก็มีความถูกเมื่อนั่นแหละอยู่กับจิตกับใจนีของเราเนี่ยถ้าเราออกไปวัน เวลาหนึ่งมันออกไปวิธีนาทีหนึ่งสองนาทีมันออกไปอย่างนี้ยมันก็เป็นทุกข์ติดเรื่อยไปห ล, ยหลายนาทีมันค่อยมันก็คิดก็ไปเป็นทุกข์กับมันแหะถ้าอยู่กับความรู้สึกเนี่ยมันจะมีความสุขมีเพื่อนมีผู้มาดูแลเรามาเฝ้าเราพอมันคินออกมาแล้วเราก็เห็นเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปมันก็สบายสบายไป นะนะให้อย่าที่เกียจอย่าชี้ข้านพยายามทําอืมอย่าให้เกิดมาเสียทีที่เกิดมาเนี่ยหลวงพ่อนี่เชียรเนี่ยอย่างที่สุดเลยเ <Yeah. S 1> อ่าไม่กล้าศึกบวชมาแจกเนี่ยพอหลวงพ่อมาเห็นรูปเป็นนามนั่นแหละไม่กล้าศึกเลยเ <Yeah. S 1> พราะว่าเราเนี่ยหน้าตาของเราเนี่ยน่านาศจรรันทร์เหมือนกันอันติ่งที่คนที่ไม่อยากมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่รู้จักเลย เพราะว่าหน้าตาของคนเนี่ยหน้าตาเป็คนแตจิตใจเป็นได้ทุกอย่างถ้าไม่รู้จักรูปแักรนามแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรก็เป็นได้เป็นผีก็ได้เป็นเปรตเป็นมารเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายตารพัดนี่จะเกิดมาพอต้องไปเห็นอาการนมาปฏิบัติเนี่ยอาการอันนั้นเกิดมาอย่างนั้นอันนี้เกิดมาอย่างนี้เราเห็นเราเราเป็นอะไร โอ้นี่เราเขาเคยทํามาแล้วอันนี้เราเคยทํามาแล้วเคยฆ่าตัดจติวิตยเคยเคยไปเถียงผู้เถียงคนเสียงคนคนไหนมาทําผิดหรือว่าเขามาว่าอะไรเราเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ไปเอาเรื่องเอารากับเขาแล้วก็ไปว่ด่าไปว่ากันอย่างเนี้ยมันก็ไปสร้างความทุกข์ให้ตัวเอง คนเรานี่ไม่ขี้ไม่มีใครจะมาทำให้เราหรอกเราทำเองหมดเลยส ร, สร้างนรกเราก็ไปสร้างเองสร้างสวรรค์เราก็สร้างเองนิพพานเราก็สร้างเองสร้างความทุกข์ความถูกความทุกข์ากยากเข็นใจมีแต่เราสร้างเองหมดนั่นแหละไม่มีใครจะมาสร้างให้เราเลยถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะขยันหมั่นเพียรเกิดเป็นคนมาเนี่ยจะไม่ขี้เกียจที่ขั้นขี้จขั้นเพราะอะไร ه, ก็พอาเราไปอยู่กับตัวเกลียดกับความคิดนั่นแหละพอเราไม่รู้จักพอมันรู้จักแล้วเนี่ยเราจะไม่เชียอมาเลยในความคิดเนี่ยมันชวนไปเที่นันเนี่ยชวนไปนี่ไปเล่นที่นั่นที่นี่อ๋อเราเห็นแล้วเราไม่ไปแล้วอแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนเราเคยเป็นทาสเอาตัวแร้วแต่เขาจะพาไ้แส่ไปั้งไหนเราก็เป็นพาเข้าไปตามยธากรรม เกิดมาตามยถากรรมจนตายนะคุณดมตายจนตายไม่นก็ยังไม่ทิ้งเลยอันความคิดเนี่ยความคิดตัวเนี้ถ้าเราไม่เห็นตั้งแต่เราเป็นคนเนี่ยเราจะไม่พ้นนรกเลยแหละความทุกข์ยากเห็นใจอะไรทุกอย่างเราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยเราจะไปสร้างแบบนั้นเนี่เดี๋ยวเรามาหาจินอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นต้มบัตรของเราทั้งหมดเลยเคยดีกี่ข้างเคย ชั่วจีข้างมันจะเป็นสมบัติที่เราไปครองภายภาคข้างหน้าหมดตลอดทั้งโดนี้แหละคือเดนี้นะคือตั้งแต่เราเกิดมาด้วยแล้วเวนียจนมาถึงวันเนี้ยในรัฐชาติชาติตั้งแต่ก่อนนะชาติก่อนเราสร้างไว้อะวันนี้ที่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ได้สร้างอีกมันจะเป็นอยู่นั่นตลอดไป แล้วก็ให้เราพยายามทําปัจจุบันให้มันเป็นอยู่ในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นมาเราจะไปเป็นผู้เป็นให้มาแจ้ปิดเป็นถูกอย่างที่หลวงปู่ท่านตอนหลวงพ่อตอนให้เราฟังอ่ะอ่าเปลี่ยนได้ทุกอย่างของที่ไม่ดีมันก็อยู่กับเราของที่ดีก็อยู่กับเราตัวแแต่เราจะเอาอเราไม่มาตื้อค่ะสามารถ ดูแล้วก็เป็นผู้เป็นอยู่นั่นตลอดไปจนตายใจขาดก็ยังเอาเรื่องที่ไม่ดีมาคิดอยู่นั่นนั่นแหละกรรมของเราบัจจิตายนี่ก็เราถ้าเรามาฝึกมาหานี่มันจะจิตใจของเราเนี่ยมันจะรู้จักวิธีจะตาย ม, มันเป็นเรื่องของธรรมดาไม่ต้องกลัวแล้วก็จิตใจของเราเขียนติใจเข้มแข็งตอนที่เราจะตายเนี่ยเราต้องใจกล้า ไม่ต้องไปยอดท่อไม่ต้องกลัวความตายเพราะว่าเราเกิดสงครามแล้วไม่ตายกาย็ยังยังไม่ตายกาย็ยังมันจะค่อยจะเหลีย อ, อยู่เป็นคน เ, เราก็ต้องบกบืนออกมันเป็นไหนก็เป็นไปเถอะไม่ต้องกลัวเกิดมาเนี่ยเดินไปหาความตายหมดนั่นแหละถูกประหารไว้แล้วถูกจับถินประหารไว้แล้วเดินไปหาหลุม ที่จะฝังนะทุกวันทุกวนเนี่ยใครไปถึงก่อนก็ต้องตายก่อนตายเล็กก็ได้เป็นน็กน้อยก็ตายได้เป็นผู้ใหญ่ก็ได้ได้เป็นผู้ตุ่มผู้สาวก็เหมือนกันมีลูกมีผัวมีเมียกระตุนแล้วแต่จะจะได้จากพัดผ้าของรักของชอบไปทั้งนั้นมดทุกคนเราไม่ต้องกลัวที่ตายอยู่แล้วมันเจ็บมันปวดดูมันสู้มันแหละมันตายให้มันตายไม่ต้องไปร้อง หลวงพ่อเคยทดลองตัวมาทั้งหนึ่งกับหลวงพ่อจันทาหลวงพ่อจันทาไปเยี่ยมหลวงพ่อที่บ้านหยุดแต่ก่อนอยู่ที่บ้านนุนเมืองว่าจะไปอยู่หลวงพ่อแต่งของไปเลยอ้าวพอไปแล้วก็อยากจะไปไปอยู่ที่อื่นอีกไปนอนได้คืนเดียวเขาพาไปหาไปหาแล้วก็ไปหาวัดธาราอะไรให้ไปหาให้แล้วก็ อยากอยู่แล้ววันนี้ไปหาให้หลวงพ่อพาไปหาเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อก็พาไปพาไปท่านก็ให้ดีดีหมดทุกอย่างท่านจะแต่งให้พร้อมแ้วอะไรไม่เมีก็ว่าจะเอานั่นแล้วก็ว่าว่าจติดไปอยู่ได้แท้ๆวัดเอาแท้ๆแล้วไม่เอาเลยวันนี้ก็มานอนกับหลวงพ่อมาแล้วก็หลวงพ่อมีไม้อันหนึง่งนวดนวดทอง นวดนับขาเนี่ยแหละมันปวดที่ไหนก็ไปนวดได้นวดเอาเองนะไม่บอกแค่นะให้ทําเองเอพอเห็นหลวงพ่อทำอยู่นี่แหละก็ไปขอทำํำหลวงพ่อให้ผมพอมทาด้วยหลวงพ่อก็ไปบอกให้ไปทําทําแล้วโอ้ยมีแหงมีแหงมีแรงแล้วแบเนี้เห็นแล้วเห็ น, เ ห, นเห็นที่มันมันอยู่ที่นี่เมืงแต่ ก, กี้ทํำไมไม่บอกผมหลวงพ่อโหกั ยังไม่บอกแล้ต่บอกบอกมาหาก็ไม่เห็นว่จะว่าจากนั่นแหละเดี๋ยวทําแล้ววะวันนี้ก็ทําไปทํามาทําไปทํามาเอออยากนอนแล้ววันนี้อยากนอนเอามานี้ว่าผมจะทําวันเนี้ท่านก็นอนกขลนซอดสเลยไปทาแล้วก็หลวงพ่อก็ทําน้องพ่อก็ทำวูำ้ดีดี แ, แท้หลวงพว่อเขาไม่ค่อยจะทําเท่าไหร่บัดมาทําแล้วมันเห็นดีเหมือนกัน อันที่มันเจ็บ ม, มันปวดอนะ่ะมันหายไปหมดเลยท้องไสสเราเนี่ยมันบวชเบิ ก, เบกบานแป้นไปหมดเลยบันนี้ก็นอนนะหลวงพ่อท่านนอนก่อนนอนแนละ้วผมดูตื่นขึ้นมาแล้วนะเสียงค้างแล้ววันเนี่ยเสียงโอ้ยโอ้ยอยอยเป็นไรหลวงพ่อโอ้ ย, อ ย, อ ย, อยนั่นี่ไม่ไหวแลอวตีตายนั่นนี่แ้หลวงพ่อท่านว่ะมนึกว่านะมันจะหายมันเป็นอย่างงี้มัน จะรบพ่นคืนไหมเนี่ยท่นโอ้จังได้วะไม่ต้องไม่ต้องค้างหรอกว่ะไม่ต้องร้องแล้ววะโอ้มันอดไปได้มันลําบากเขาคนอื่นเขานอนไว่หลับมานอน้องอยู่เงี้ยไม่ไม่เป็นท่าว่ะมันมันจะหายไหมล่ะมันค้างอย่างรอกแรงแรงมันค้างไหมเน่ยมันก็เออไม่มัน มันไม่หายแล้วบางนั้นมันหายจะไปล่องมาตายถ้ามันหายอย่างนั้นก็ร้องผมไม่ว่าเลยคนตายเน่ะเขาปวดจนตายนั่นแหละพวกเขาตายน่ยเขาก็บางคนเขาไม่ล่องนะพวกพวาเขาเมียเตีดเด้ยก็อดอย่างนั้นแหละพอพวกพ่อว่างนั้นเออค่อยสบายค่อยมิดเขามีเข้าถ้าจะดีนะ อดกลางคืนมาตอนบันคืนมาต่อมาอีกหลวงพ่อขึ้นแล้วบันเนี่ยเจ็บปวดที่ที่มันที่มันนั่นมันไปทำแรงไปทำแรงเกินไปอะ่ะ่ายออกดำปึ๊ดเลยหลวงพ่อโอ้เหียออกน้จนปั้นโจกได้เลย ว, วะเปียกปืดที่นอนนะโอ้วัรองมันจะวัตะบากวัตเอื้อน เดกพวกพระอยู่ที่นั่นาา ก, ก็ไม่กล้าพระเด็กไม่เลยเอากูจะตายลองดูมันจะเป็นยังไงมันจะตายเป็นไงโอ้ยปวดยังไม่มีอะไรบอกเลยเอาตายมันตายกูไม่ลอกมันไม่ต้องให้วัดจะเรียกคนก็ไม่ต้องไปบอกเอาไปเอามามันมีที่พักที่หายใจเหมือนกันพอทำไปทำไปเนี่ยดูไปดูไปดูถึงมันถึงที่สุดของมันแท้ๆนะ่ะมันก็ค่อยหายออก ให้เราหายใจได้เอาไปเอามาหลายกลับที่กลับมันปมันกลับไปกับมาเยอะนะบางทีหายบางทีเป็นเอาไปเอามาหายไปเลยถ้าเราใจถึงมันก็ไม่เป็นไรต้องทนทุกข์ให้มันทนทุกข์ไปเหมือนอะะเหมือนเข้าเหมือนเราเข้าเป็นทหารไปเข้ากำลังกำลบรบถึกกันนะ เราจะหนีไม่ได้นี่เราก็ได้เกิดมาเนี่ยเราก็ยิ ด, ย, ดยิดตายอยู่แล้วมันจะตายหรือมันจะไม่ตายก็ราทดลองมันเอาให้มันหมดที่ถึงที่สุดไม่ไม่ปากไม่เรียกให้ใครรู้จักเลยเอาไปเอามาตอนเช่านี่จะคอยมาพูดให้คนฟังโอ้มันเป็นอย่างนี้เขาตายเป็นอย่างนี้เจียบถึงถึงที่ที่จะตายมันไม่ตายหรอก ถ้ามันไม่ถึงคั้น น, นะนั้นนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราให้เข้มแขงให้ฝึกห้าตั้งแต่วิธีเรามามาเนี่ยเราฝึกเวลาเราจะตายนะ่ะให้เรามีที่พึ่งที่อาศัยเนี่ยให้เรามาดูตัวเราเองอะไรเกิดขึ้นมันเกิดเราไปผ้ามันไม่ได้หรอกมันเจ็บมันปวดก็ช่างมันขอให้เราดูไปเ ล, เล่นไปมันจะค่อยดีไป ต่างคนต่างก็จะได้หนีไปต่างคนต่างจะพัดพาจากความรักของมชอบไปทั้งทั้งหมดนั่นแหละไม่ได้ดีนั่นไม่ไม่มีอะไรตีมได้พึงพาแต่แล้วตันนี้ก็เราเกิดมาเนี่ยเราอย่าไปเอาอะไรเรามาฝึกมหาเนี่ยพยายามปลดปล่อยละวางอะไรเกิดขึ้นมาก็ให้มันเกิดอะไรจะดับไว้มันดับความเจ็บความปวดเนี่ยมันก็เกิดให้เราเห็นอยู่ไปห้ามมันไม่ได้ ความดีความสบายสบายกายสบายใจมันก็มีบางทีก็ทุกข์กายทุกข์ใจก็มีเือไู้แต่มันจะเป็นเป็นอะไรก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจมันไม่เป็นเรื่องของธรรมดามันต้องมีหน้าที่สําหรับบรรเทาบันเท่านั้นแหละสิ่งไหนมันเกิดขึ้นมาอถ้ามันไม่หายแล้วก็มันจะไปก็ช่างมันนั่นแหละพยายามทําให้ในเรืมานี้เรามา ทำอย่างเดียวเนี่ยแหละแล้วทุกอย่างเขาเป็นสิ่งของอะไรเราเอาไปมาได้หรอกมีอย่างเดียวที่จะช่วยเราได้คือมาทำแบบนี้แล้วก็หมดไม่เป็นครับที่เราทำเนี่ยไม่เหมือนเราการทำบุญให้ฐานนักษาสินอันนั่นนั่นมันกินอยู่ในโลกนี่มันใช่อยู่ในโลกนี่มันไ ด, ไไดไนรร้ไม่ได้ไปนิพพานครับไม่ได้ไปจริงๆมีแต่ทาความบาปให้ตัวเองหากินอยู่ในโล ก, กเนี่ยทาโทษตัวเองหมด เนี่ยเพราะว่าคนดีก็มีน้อยคนที่ไม่ดีนะมากที่สุดเลยแต่ว่าพยายามทําคุณงามความดีให้ได้พวกเราทอทําแล้วมันเป็นตุมบัติของเราทั้งหมดเลยนั่นแหละให้เราพยายามเกิดมาสร้างกรรมเราเกิดมาเดี๋ยวนี้มาหาอยู่หาจินวิลาสมาสร้างกรรมตั้งเวรคํารรสร้างความทุกข์ให้ตัวเอง ไปยึดในถึงนั้นไปยึดในสิ่งนี้ไม่มีสิ่งที่จะเอาทิ่งได้เลยความเจ็บความปวดค ว, ค, วความเหนื่อยความร่าความเหนวความอิจฉาความเบียดควรอะไรก็แล้วแต่ไปยึดมั่นถือมันในสิ่งนั้นเลยไม่วางไม่ปล่อยมันก็สิ่งนั้นแหละจะมาพาเราเป็นทำเท็นให้เราอ่ะไม่ต้องให้มันมีไม่ต้องให้ต้องเอาเอาไม่ได้ไม่มีตนไม่มีตนตัวมีแต่ไปยึดมัน่นถือมันเพราะฉะนัะ้น น, นนี่แหละวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยให้ ปล่อยให้ละห้อยวางไม่ต้องไปยึดมัน่นถือมัน่นความรักก็มีก็เหมือนกันความชังก็เหมือนกันความพอใจไม่พอใจอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราพยายามปล่อยวางให้หมดให้มันอยู่เฉยเฉยมันจะเป็นสมบัติของเราเนี่ยมันเป็นอยู่นี้ตลอดไปครับกัางคือนนอนฝันกลางวันนั่งคิดการเกิดเมื่อไหร่เป็นทุกข์มานั่นเกิดเป็นอะไรเป็นทุกข์มา่อน้มิได้ทุกขึ้นเกิดขึ้นดั้งอยู่มิได้ทุกข์ดับไป มันไม่มีอะไรก็มันก่อที่เกิดจากความคิดเราทั้งหมดเลยเนี่ยเนดีเนี้ยส่วนเนบาปเนี่ ย, ย, ย, บ, ยบุญอันนั่นเนี่ยทางไปนิพพานนะนอกนั้นก็เป็นธรรมดาสิ่งไหนมันเกิดขึ้นมาเราอย่าไปถือสามันมันเป็นอยู่นั้นเอง เอาละพูดมันนี่ก็พูดไปอย่างที่ไม่ที่มีอะไรหรอกพูดไปตามเรื่องตามราวเด้อคุณโยมเด้อไม่มีอะไรหรอกพ่อขอยุติเพียงแต่นี้ก็ขอให้ญาตโยมทุกท่านควรควรประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงแก่นแท้พุทธตาตนะคือความสะวันความตั้งใจความสงบน จงมีเจตทานทุกๆฐานทุกๆคนในวัดเวลานใกล้ในเธอน